แม่ชีคนนี้แกมีความรู้ทางสมาธิแปลกๆผิดธรรมดาอยู่หลายแข น, แนงทราบว่าแกเพลินติดความรู้ประเภทนี้อยู่เป็นเวลาสิบกว่าปีวันใดภาวนาไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆโดยทางสมาธินิมิตแกถือว่าวันนั้นไม่ได้รับประโยชน์ทางสมาธิภาวนาเลยแกติดทางนี้จนฝังใจว่าการเห็นนิมิตต่างๆเป็นทางมรรคผลของการภาวนาจริงๆต่อเมื่อมีพระที่เป็นสายท่านอาจารย์ ไปพักจำพรรษาที่นั่นและอบรมสั่งสอนทั้งด้านนิมิตและด้านอื่นๆจนเป็นที่แน่ใจแล้วรู้วิธีปฏิบัติต่อสมาธินิมิตและทางดำเนินอันเป็นทางมรรคทางผลจนกลายเป็นความราบรื่นดีงามตลอดมาไม่กำเริบเป็นต่างๆดังที่เคยเป็นอยู่เสมอแกจึงยอมแก้ไขดัดแปลงไปตามและเห็นผลเป็นที่พอใจไม่ตื่นเต้นอับเฉาไปตามนิมิตต่างๆที่มาปรากฏ ดำรงตนอยู่ด้วยสติปัญญาอันเป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นภัยไร้ทุกข์แกจึงได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้การปฏิบัติต่อสมาธินิมิตของแกจึงไม่มีอะไรที่น่าวิตกอีกต่อไปสมาธิประเภทนี้จึงกลายเป็นความสำคัญขึ้นในการทำประโยชน์ตนและส่วนรวม แกมีความรู้แปลกๆที่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ค่อยมีกันเรื่องเหตุการณ์ในอดีตอนาคตเปรตพูดผีเทวดาจำพวกกายทิบประเภทต่างๆแกรู้ได้ดีพอสมควรจะขอยกตัวอย่างมาลงด้วยสังเขป พ, พอเป็นข้อคิดเกี่ยวกับตาในใจทิพย์ของผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้คือคืนวันหนึ่งแกนั่งภาวนาปรากฏมีสัตว์ชนิดหนึ่ง เข้ามาหาในภาพแห่งบุรุษมาร้องทุกว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของว่าใช่สอยแก่มาตั้งแต่พอลากราดลากไถใส่ล้อใส่เกวียนได้เรื่อยมาแทนที่จะเห็นบุญคุณแกบ้างนอกจากทรมานเคี้ยนตีในเวลาลากเข็นและเวลาปกติธรรมดาแล้วยังถูกจูงไปมัดคอใส่ต้นไม้แล้วฆ่าแทงแกจนตายและกินเนื้อกินหนังเสียอีก ซึ่งเป็นการกระทาที่โหดร้ายทารุณสึ้นมนุษยธรรมเสียจริงๆก่อนจะตายก็ทนทุกทรมานแสนสาหัสทนไม่ไหวจึงได้ตายทั้งที่ไม่อยากตายรู้สึกมีความเคียดแค้นในเจ้าของเป็นอย่างมากแทบไม่มีที่ปลงวางจิตในเวลานี้จึงได้เดินโซซัดปัดเป๋มาหาคุณแม่ให้ช่วยบรรเทาทุกข์และขอพึ่งบุญบา ร, รมีแบ่งส่วนกุศลผลบุญที่คุณแม่ได้บำเพ็ญมาพอมีส่วนได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กับเขา พอมีทางหายใจระบายทุกบ้างไม่ถูกกดขี่บังคับทรมานจนเกินไปดังที่เป็นมาเวลานี้การเกิดเป็นสัตว์ลำบากทรมานมากเหลือเกินเพราะถูกบังคับทรมานด้วยประการต่างๆทั้งจากมนุษย์และจากสัตว์ด้วยกันการเกิดเป็นมนุษย์แม้จะอดอยากกันดานสองวันหิว3วันอิ่มปากอิ่มท้องครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์ ซึ่งมีความทุกข์ลำบากทรมานอยู่ตลอดเวลาแม่ชีจึงถามบุรุษนั้นบ้างว่าทำไมว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณของเราและ ว, ว่าเขาไม่มีมนุษยธรรมในใจค่าตีทรมานโดยประการต่างๆจนถึงกับผูกโกรธผูกแค้นจองกรรมจองเวรในเขาไม่ใช่เราไม่ดีไปเที่ยวหาลักขโมยสิ่งของห่วงแหนที่เขาปลูกไว้ตามไร่นารืวสวนมากินเหรือ อยู่ดีๆทำไมเขาจะเอาตัวมาเคี่ยนตีทรมานและนำตัวไปฆ่ามนุษย์แถวนี้ก็ปรากฏว่าดีมีศีลธรรมพอเชื่อถือได้ทำไมเขาจะทำได้ลงคอถ้าเรายังดีอยู่นี่น่ากลัวจะไปเที่ยวทำไม่ดีอย่างแม่ว่ากระมังเขาจึงได้ทำอย่างนั้นให้เราเพื่อสะสมกับความไม่ดีของตนเราได้ทำดังที่แม่ว่าบ้างหรือเปล่าล่ะเขาตอบน่าสงสารจับใจว่า ก็เพราะความอยูหอยอดอยากเกี่ยวกับปากท้องอันเดียวนี่แหละเป็นสําคัญในมวลสัตว์โลกเป็นอะไรก็พอเข้าใจว่าเป็นอาหารจะพอประทางชีวิตจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นสมบัติของใครอะไรใครหวงแหนหรือไม่หวงแหนพอคว้าถึงปากก็กัดก็แท้กินไปตามประสาสัตว์อย่างนั้นเองถ้ารู้ภาษาอยู่บ้างเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ทําและไม่มาเกิดเป็นสัตว์ให้เข้าฆ่าตีทําลายดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ส่วนมนุษย์ผู้มีความฉลาดกว่าสัตว์ก็น่าจะเห็นใจให้อภัยบ้างไม่ทําตามอํานาจจนเกินไปซึ่งผิดจากศีลธรรมของมนุษย์มนุษย์ผู้ดีเขาไม่ทําอย่างนี้เพราะเป็นความอุจารบาดใจขายชาติของตัวเองที่ว่ามนุษย์แถวนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเขาคงไม่ทําชั่วแก่สัตว์ได้ลงคอนั้นจริงสําหรับมนุษย์ที่มีธรรมะดังคุณแม่ว่าแต่มนุษย์คนที่ชื่อนี้ที่เป็นเจ้าของของผมนั้น มีใจมนุษย์ที่ดีมีศรลธรรมติดใจพอเป็นเชื้อสายของมนุษย์บ้างเลยมันเป็นเพียงเศษมนุษย์มาเกิดต่างหากฉะ น, นั้นเขาจึงมีใจโหดร้ายทารุณที่อะไรอะไรจะให้อภัยเขาไม่ได้แม้แต่มนุษย์ด้วยกันเขาก็ทําร้ายได้อย่าว่าแต่สัตว์ซึ่งอาภัพวาสนาเลยแม่ชีจึงให้โอวาสัส่งสอนเขาด้วยความเมตตาสงสารและแบ่งส่วนกุศลให้เขาด้วยใจเอ็นดูอย่างถึงใจ พร้อมกับให้ศีลให้พรขอให้กุศลผลเมตตาของแม่ที่แบ่งให้นี้จงเป็นสเสบียงเครื่องหล่อเลี้ยงส่งเสริมและนำทางให้คุณได้ไปเกิดในสุคติสถานมีอาหารทิพและวิมานทองเป็นที่อยู่เสวยเถิดพอเข้าสาธุรับส่วนกุศลแล้วก็ลาคุณแม่เข้าไปด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานราวกับจะได้ไปเกิดในกาเนิดและสถานที่อันสมหวังในขณะนั้นพอรุ่งขึ้น ก็เรียกหลานชายในบ้านมากระซิบบอกว่าคืนนี้แม่นางภาวนาปรากฏเรื่องมาดังนั้นขอให้แกไปหาอุบายไปสืบดูพฤติการของนายคนนี้ให้แม่ทีจากคนใดคนหนึ่งที่พอทราบได้แต่อย่าให้เขารู้ตัวว่าแม่สั่งให้ไปสืบถามเดี๋ยวเขาจะอายเราหรืออาจคิดไม่ดีต่อเราและจะเป็นบาปหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งจะแย่ใหญ่พอเรียกหลานมากระซิบสั่งดังนั้น หลานก็บอกขึ้นทันทีเพราะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับอีกตาคนนั้นและทราบเรื่องนี้ได้ดีว่าคุณแม่จะให้ผมไปถามไม่เสียเวลาทำไมก็มาคืนเนี้ยราวสองทุ่ม่ะลากเอาควายของแกไปฆ่าอยู่ที่นี่เสียงควายร้องเพราะความทุกข์ทรมานได้ยินถึงไหนโน่นเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันมากินเลี้ยงกันใหญ่เสียงเอตโรโ ฮ, โฮเฮจนเกือบสว่างจึงได้สงบลงป่าเนี้ยมันตื่นนอนกันหรือ ย, ยังก็ไม่รู้ ผมรู้เรื่องนี้ดีจึงอย่าให้ไปสืบถามให้เสียเวลาเลยดังนี้ความจริงที่แม่ชีเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้การปรากฏนิมิตก็ปรากฏในคืนเดียวกันเป็นเพียงแกปรากฏตอนดึกสงัดซึ่งผิดเวลากันเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับพวกเราที่กำลังตกอยู่ในห้วงวัฏ ต, ตะซึ่งมีทางเป็นไปได้ด้วยกันโดยไม่เลือกการสถานที่ และใครๆ